นาโม ต, าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโม ต, าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตสัสสะ พักวตโตอรหัตโตสัมมาสามพุถะชาทานาปรลลมีสัมปนโนอิติปิโสปะขวาทานาอุปปลามีส it ัมปนโน อิติปิโสภควาทานะปรามตถปรามีสังโนอิติปิโสภควาติณับี้จะได้อทิบายในทานะปรามีอันเป็นผลประโยชน์ รักษาจิตรักษาล่างกายให้ได้รับผลแห่งความสุขในชีวิตของตนที่การเกิดมาในโลกการที่เราให้ทานตามยุคตามสมัยสมัยความเจริญ สมัยวามที่ไม่เจริญทนเรียกว่าปฏิคาหกสมัยที่เจริญนั้นเนิ่ผู้รักสมบูรณ์สองผู้ให้ทานสมบูรณ์อันนี้เป็นเรียกว่า การให้ทานอันสมบูรณ์สองผู้รับสมบูรณ์ผู้ทานไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่าขาดไปขาหนึ่งสองสามผู้รับไม่สมบูรณ์ผู้ให้ทานสมบูรณ์ อันนี้คุณก็เรียกว่าขาดไปอีกขาหนึ่งชีผู้ทานนั้นไม่สมบูรณ์ผู้รับไม่สมบูรณ์อันนั้นพิจรณาว่าขาดตกบกพ่องอันนี้เริ่มการให้ทานยุบตามสมัย สมัยใดที่เจริญในการให้ทานสมัยนั้นพระเรีเว่าบัณฑิตเกิดในโลกสมัยที่การให้ทานไม่เจริญอันนั้นพระเรียกว่าสมัยคนพาลเกิดขึ้นในโลกมเจเรื่องความชัว่ว ลอดกันไปแต่ทำไมบุคคลเขาจึงแบ่งปันกันให้ทานอันนั้นเปลว่านิสัยปัจจัยเคยทำมาในการแบ่งปันประการใดๆก็ต้องทำไปตามเรื่องอันนี้ละเรื่องการที่เกิดในโลก ข่าวเจริญที่วัตถุเข้าของและรูปร่างผิวพรรณวันนั้นอันนั้นแปลว่าสมบัติที่ตนของตนได้ทำไว้มาแล้วแต่เบื้องหลังผลประโยชน์ทิ้งเหล่านั้นมาคุ้มครองรักษาในรับความเจริญในรับความสมบูรณ ชีวิตใดที่ตนของตนเกิดมาขาดตกบกพร่องทุกอย่างลำบากกลากล่ำตลอดไปทุกอย่างชีวิตนั้นแปลว่าตนของตนสมบัติความดีที่การให้ทานไม่มีแต่เบื้องหลังกันมา จึงได้รับผลความทุกข์ตลอดไปอันนี้พิเรียกว่ามนุษย์ที่ยังเป็นวุตรชนเกิดอยู่ในโลกต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดกันไปไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนการเกิดของบุคคล ที่สังคมสังคมคนดีก็มีความเจริญตลอดไปเบื้องหน้าการคบสคังคมคนไม่ดีก็ต้องมีความชื่มเสียทุกลำบากตากลำตลอดกันไปอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่า บุคคลที่เกิดยุคสมัยพระพุทธเจ้าทำไมเขายังนับถืออจิลกะผ้าไม่นุ่มมันอุตริว่ามันเป็นพระอาหารหันต์อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนกว่ามันเป็นด้วยเหตุใหไ่หนึ่งนิสัยของตน เคยทำความชั่วยินดีในการทำความชั่วสองตนของตนผึดผลไม่ได้ใช่ปัญญาพิจารณาการในดั่อานนี้เปนเรกว่าบุคคลที่ขาดตกบกพร่องในปัญญาที่เกิดมาในโลก ขาดตกบกพ้องที่ตนเกิดมาในโลกในให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกทุกคนยังจะมีการเกิดต่อไปในโลกทําอะไรตัวเราควรคิดอ่านใช้ปัญญาพิจารณา มันถูกต้องนี้หรือไม่ถูกต้องนี้มันได้ขนประโยชน์หรือไม่ได้ขนประโยชน์ประการใดให้เราทุกคนจงทิคอาจในชีวิตของตนในชีวิตนี้แปลว่าความชื่เสียหายในทางพุทธศาสนา หาได้ยากอันที่ความจะเจริญขึ้นได้เช่นพุทธเจ้าของเราการให้ทานแบ่งปันใดนๆในในอะไรทุกแห่งหนไม่ได้คิดว่าบุญบาปการใดให้เขากินกัไปกัเป็นกันแล้วกันไปอันนั้นแปลว่า ตนของตนเมือเวลาได้สำเร็จมาผลเป็นองคุตตะเลยรับผ้าสามครั้งครั้งหนึ่งนางทิวดามาถวายผ้าคู่หนึ่งครั้งที่สองนางมลิกามีปัญญาปสินถวายให้ผ้าคู่หนึ่งครั้งที่สามพรามในเมือง กุชินาลายได้พาผู้หนึ่งมาถวายแต่ให้อานนท์เสพผืนหนึ่งพุทธองค์พมตุ้งหอมเสพผ้นหนึ่งอันนี้ละเมื่อเวลาพุทธเจ้าของเราสร้างบํเบาเพ็ญบารมียุกสมัยเป็นเนวิลา ธานกปรเมศพนโนจิปิโสปโขวาธานอุปประมศพนโนจิปิโสปโวาธานกปร ม, มัทธปรัมปพนโนกิปิโสปโขวาเขาเป็นเนวีละเกิดในเมืองมิถิลาได้ถวายทานให้เกปเจิกพุทธาทั้งหลาย สองหมื่นองบางวันก็บกครบก็บท่านไปรับทานที่อื่นบางวันก็ด้เต็มสองหมื่นองอายุได้เจ็ดรอยปีอันนั้นแปลว่าให้ทานขององคุท ธ, ธะได้สร้างบําเพ็ญปริีมาเมื่อเขาที่เป็นเวทชั้นดอน การแบ่งปันแก้วเจ็ดสีตลอดท่านอะไรทุกอย่างไม่ได้มีการเป็นรักเกิดขึ้นมาได้อันที่เป็นรักเกิดขึ้นมาได้นั้นได้เก่ดเนธมะพรมีสัมปนูิปิโสภควาเนธมะปุปรามีสัมป น, นูติปิโสภควา เนคพระปรมาทพระปรามีสัพโนจีพิโสปตวากับนางมชีไปอยู่เขาขันธมาศโนุดานสองปีพญาสนใจพุชดีพ่อกับแม่เสียวใจหัวใจหวาย ตายนี้ไปพวกเจ่านั้นเกิดกวนกวาวยกันทุกรายการว่าบ้านไม่มีเมืองไม่มีเจ้ามีเจมเลยจึงพากันคิด่าน <c oughs> ไปเชื้อเชิญเวชสันน้อนเวชฉันอ น, นอนว่าจะให้กลับโตัวเมืองนัน่นกลับได้อยู่ แต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายรับปฏิกาสัญญาสามข้อข้อหนึ่งนะั้นข้าพระเจ้าแบ่งปันให้ทานประการใดขอให้ท่านทั้งหลายจงยินดีส่องสาธุการนำกันอันนี้ข้อหนึ่งข้รับได้บอกล้วนะกระดิชาทุ ข้างที่สองให้มีสินห้าทุกๆคนตลอดไปรับได้ไหมพวกเหล่านั้นจะช่องสาทุกการข้างที่สามใม้ทะเลาะวิวาทขึ้นกันแลกกันให้สัมุอทีปกครองรักษา บ้านเมืองให้เป็นชุกตลอดถึงไพ่ราษฎรประการใดหลับได้ไหมกอกเร้่นช่องสาทุกการยินดีพอใจ <c oughs> เวทันนอนจึงนี่หลักกติกตาสัมัญถวกนั้นแล้วเวลาสเสด็จมาเมืองป้าชิชัย แก้วเจ็ดสีตกลงมาตกในขอบเขตบ้านของบุคคลให้เป็นสมบัติของคนนั้นตกในถนุนหนทางสนามหลวงประการใดญ่ๆอันนั้นให้เป็นสมบัติของประเทศบ้านเมืองเก็บกอกองกันไว้ประซัดใดๆทุกแห่งหนหึงนี้ว่าแก้วเจ็ดสีตกลงมาต่างคนต่างมา ผูกมิดผูกสายขอแก้วและยินดีพอใจอันนี้ก็าไม่มีถือว่าทานาะบารมีแปลว่านีขคำมะที่ออกบวดสองปีเท่านั้นเองอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดเนื้อกว่าการให้ทานสมบัติมนสมบัติสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ สมบัติมันเจริญไม่เจลิญบทสนั้นตัวของเราทุกทุกคนยุคสมัยบัรเดี๋ยวนี้ให้คิดอ่านคิจรารณาให้ดีตนของตนทุกคนบุคคลที่มีปัญญามากที่สุดนั้น 1. นปัญญารู้จักการกิริยาการเคลื่อนไหวไปมาในโลก ของมนุษย์อะไรอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาอันสังคมซึ่งการการประจำเลือกปัญญาอันนึกพาพอันนั้นแปลว่าจิตของเขาได้รับความสว่างสวยรู้จักได้ว่าคนนั้นสุกกปกคนนั้นสะอาด คนนั้นแปลว่าเป็นคนมีชินธรรมคนนั้นไม่มีชินธรรมประการใดไม่ได้ถือว่าเป็นครือขัดและบอประชิตประการใดๆอันนี้เร็นว่าปัญญาลึกล้ำให้เราทุกคนจงคิดอ่านยุคสมัยคนพานมันเกิดมากให้โลก ยุคสมัยปัญติเกิดขึ้นแล้วในโลกแสดงให้รู้จักว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายจะไปทางไหนสานเ บ, บ็ดไปทันทีสองท่านกำลังอยู่ใ้รัศ ม, มีสว่างสวัยเกิดให้เกิดเจของท่านหรือรู้จักเหตดผลของมนุษย์ในโลกประการใด อัน น, บบนั้นแปลว่ายุคส ม, มัยคืยอความเจริญในให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราทุกคนในยุคสมัยบบเดียวนี้เราเห็วนว่เป็นอย่างไรใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจจึงจะได้ขึ้นชั่บวบุคคลผู้ที่ทำถูกต้องตามระเบียบ สิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ให้กับนของตนพระอนุอ น, อนเป็นผู้มีลาภพ้ะนุ่งห่มมากที่สุดอันนั้นโองท่านมีแต่เรื่องทาบุญกับปเจกุทธะยินดีในปเจกุทธะมาชนใจเรื่องอื่นตลอดไปพุทธเจ้าโคตมภะขันไปเกิดในเป็นลูกของสุขี กําวันไปเลยอ่ะสับสนเท้าของจักใผ่ได้ไผ่ดูจักไผดีไผ่ชั่วไม่เข้าใจเป๋วให้ทานก็เป็นพอความเจตนาต้องการอยากเป็นพุทธะอย่างเดียวอันนี้จะเพินเนาา่นเรี่ยกว่ามาด้วช้ำเล็อหรือได้รับกานภาสามครั้งตอนนั้น นอกนั้นแล้วมิจะเรื่องพระอน์เลียนอยู่ตลอดมาในให้เราทุกคนจงคิดนึกโวของท่านให้ทานสองครั้งหนึ่งสังคพาม์ให้ทานลองเท่าคู่หนึ่งให้เก็บจีพุธะเดินมาในหาดทรายในน้ำทะเลร้อนที่สุด สองได้ถลายว่อคันล้มคันหนึ่งให้เก็บปฏิจุตุทธะปฏิจีตก็พุทธะสวมแล้วก็ตึงตั้งคันล้มท่านก็ทานไปทันทีอันนี้แปลว่าเป็นหลักที่การให้ทานของพระพุทธเจ้า ที่สามบ่มเพินบา ร, รมีของตนตลอดมาตัวเราให้คิดนึกในการที่เราเกิดมาในโลกแบงปันกันกินอันมีโทษก็มีอันมีคุณก็มีอันมีบุญกับมีเราจงพิดจารณนา เจ้าเนีขึ้นชื่อว่าบามีฐานปบาร ม, าารมีสัมพันโนติวิโสปะควอะอันนี้เ่าเนีว่าตนของตนทานออกไปแล้วบุญกุศลเกิดขึ้นหรือบาปอกุศลเกิดขึ้นฐานอุปบารมีสัมพันโนติวิโสปะควอะ แล้วควรคิดอ่านว่าจะเป็นผลความดีหรือความชัว่วธานปรมัตถปรมีสำป น, นูจิวิโฉปคะวาการที่เห็นมีฤทธิ์อำนาจที่สุดผู้ที่เขาให้ทานแห่เกจพระอริยะเจ้าทมายออกจากนิโรธอันนั้นเปลเลิกสูงที่สุดไชชนะให้ทานใดใดทุกอย่าง ในคอยเราทุกคนจงคิดอ่านว่าชีวิตวันเดวนี้อยู่ในระวางอะไรอยู่ในระเบียบใดระเบียบคนพาลเจริญหรือระเบียบบัณฑิตเจริญจงคิดเจริญจงใช้ปัญญาคนคบบุคคลใดไม่คนคบบุคคลใด คนยินดีกับบุคคลใดไม่คนยินดีกับบุคคลใดใช่ปัญญาพิจารณาตนของตอนสิ่งที่ให้โทษก็มีนะสิ่งที่ไมมีโทษก็มีนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่าในการตนของตอน ยังจะมีการเกิดในโลกอันนี้ต่อไปหลายพบชติการเกิดมาในโลกชีวิตหนึ่งอันนี้สงของตอนที่ทำความดีหนึ่งร่างกายสมบูรณ์สองพับสินการอยู่กินไปตามความสบาจจ สามปัญญาความคิดความอ่านประการใดใหจนของตนเป็นผู้รู้จักาวะในยุคส ม, มัยอันนี้เขนเรียกว่าบุคคลที่ทำที่ถูกต้องมาแตอเนกชาติเรียว่าปุรีชาตาปฏิโยแต่ปุรีรชาติได้ทำถูกต้องมาแล้วประกาศใดญให พัชช า, าชาตาปฏิอยชาตในปัจจุบันตนของตนดำเนินอยู่กินไปได้รับผลแห่งความดีตลอดไปไม่ได้รับความชั่วประการใหญ่ใหญ่เนี่ให้เราทุกคนจงคิดห่านในชีวิตของตนในชีวิตนี้ชีวิตนี้เราจะถือว่า มีบันดิตเกิดในโลกบันดิตเกิดขึ้นในโลกนันคือธรรมะของพุทธขินห้าเป็นต้นบทพระคาถาใดๆพุทธเจา้าจะชี้บอกหนทางไว้แล้วทางไปในโลกทางไปสวรรค์ทางไปเมืองคงทางไปเป็นสัตว์เป็นเปรตทางไปเป็นมนุษย์อันนั้น เ, เรียกว่าบันดิต บุคคลผู้มีความคิดความอ่านแล้วบุคคลนั้นต้องเข้าใจในธรรมะของพุทธะบุคคลนั้นเขาต้องรักษาของตนตลอดไปคนพาลคืออะไรยุกสมัยว่นเดียวนี้คือคนที่ทำความชั่วใหญ่ตลอดรักชุกจุกต่อยกินเหล้าของมืนเมาตลอดไป อะไรไม่มีเพิ่มเติมความดีประกันเลยมิแต่เพิ่มความโชดตลอดการไปให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนยังจะเกิด อ, อีกต่อไปในโลกหลายภพชาติกว่าจะสำเร็จมรรคผลหลายพันชั่วพุทธเจ้าต่อไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านอันนี้เรื่องการทานบารมี ทานะพรัมีม่แปลว่ามาเป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่รักษาชีวิตรักษาที่ความเกิดรักษาที่ตนของตนท่องเที่ยวอยู่ในโลกเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาเป็นเปรตหรือเป็นผีตกนรกหรือไปสวรรค์ในให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตน ฐานพลัมีเป็นมาตรฐานเบื้องต้นเป็นคนเป็นที่ตั้งของที่เราความดีความชั่วจะเกิดขึ้นศีลปรัมีสัมปนูยิโฌปโขวาศีลเป็นเครื่องหุ้มหอรักษาตัวของเราเหมือนผ้านุ่มผมในร่างกายพวกปิดอวัยวะหรือเป็น บ้านเรือนของเราที่อยู่พักผ่อนรักษาอันตรายใจใจหรือรั้วบ้านของเรารักษาการกัน้นสิ่งอะไรไม่ให้เข้ามาในบริเวณเขตที่บ้านที่เราอยู่ปกันใดอันนี้เขาเรียกว่าศินสินคุ้มของสินรักษาสินสินการกัน้น ให้เราคิดนึอันนี้เราเรียกว่าบัณฑิตทางหลายที่เกิดมาในโลกพูกได้ผกกว่าแล้วบุคลันต์ผู้บุคคลนั้นแปลว่าเข้าใจได้รักษาที่เสม อ, อตามใจอายวัโกธนวัฒนโกศรีวัฒนโกเจษวัฒนโกปะรวัฒนโ ก, กวัวัฒนโกสุขวัฒนโกโหตุสัพพธา อายุวั a ถกาธนวัตถะกาสิริวัตถกายาสวัตถกาภะวัตถกาวันวัตถกาสุขวัตถกาโหตุสพพาอายุวัน s สุขังภะลัง